เดียอกย่างหนึ่งนะครับเหมือนคนที่ลงไปในหลุมโคลนเนื้อตัวเปือเป้อนไปด้วยโคลนอันนี้ต่อมาเขารู้ว่าไม่ควรอยู่ในหลุมโคลนนะั้นจึงขึ้นจากหลุมโคลนล้างตัวสะอาดดีแล้วระพรมด้วยของหอมนุ่ง ผ, ผ้าใหม่ ทำกิจที่เกี่ยวกับสิ่งสะอาดหมดจดเขาไม่เปื้อนโครนอีกก็เพียงจะได้ชื่อว่าเคยเปื้อนโครนเท่านั้นลองนึกดูนะครับคนที่มีความคิดมีปัญญามีใจเป็นธรรมก็ไม่ตั้งข้อรังเกียจบุคคลเช่นนั้นแต่ว่ากลับยกย่องว่าเขารู้จักละบาปกรรับ แต่ ล, ล่วงพ้นบาปกรรมจะได้ตั้งตนอยู่ในคุณที่น่าเคารพพระนามบูชาน่านับถือยิ่งถ้าเขาทำคุณงามความดีชนิดมหาคตะกุศลมหาคตะกุศลนี่แปลว่ากุศลอย่างใหญ่เช่นได้ฌานได้ภิญญาด้วยแล้ว ก็จะมีผลยิ่งใหญ่คือบาปกรรมใดที่ทำไว้พอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือไม่ตั้งอยู่ในเจโตวิมุติเช่นนั้นตามที่กล่าวมาแล้วนะครับเจนี้ถ้าจนถึงกับว่าได้อาสวัคคยายานคือความสิน้นกิเลสก็จะเป็นผู้อยู่เหนือกรรมเอาทีเดียว อยู่เหนือกรรมพุทธศาสนายอมรับเรื่องความอยู่เหนือกรรมเรื่องของพระองค์ุริมานนะได้ได้อ้างถึงแล้วนะครับเรื่องของพระองค์ุริมานเป็นเรื่องหนึ่งที่ชอบที่ยกตัวอย่างกันอยู่เสมอเพาท่านอยู่ในที่สุดท่านก็อยู่เหนือกรรมกรรมตามท่านไม่ได้ตามไม่ทันแล้วเพราะได้รับความทุกข์เล็กน้อยในชีวิตนี้ เป็นเป็นเศษของกรรมนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นแรงเฉืยว่าไงจะว่ากรรมก็เอาท่านไว้ในอำนาจไม่ได้ต่อไปอผมชอบเล่าเรื่องพระมีลกะครับพระมีลกะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเอาชนะเอาชนะเวรกรรม ด้วยการทำความดีพระมิล ก, กะนี่เมื่อเป็นขลึอหัดได้ทำบาปไว้มากพอเลี้ยงชีพด้วยปานาธิปบาทก็ ว, วางขวากดักปวงไว้ในป่าเป็นจำนวนร้อย ว, วันหนึ่งเมื่อได้บริโภคเนื้อปิ้งในที่ดักปวงแล้วรู้สึกกระหายน้ำจึงออกเดินหาน้ำ ไปพบหมอ้อน้ำของพระเทระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่เขาดักบวูนั่งพระเทระกำลังจงกรมเขาเปิดหมอ้อน้ำออกไม่เห็นน้ำแม้เพียงพอชุบมือเขาโกรธมากก็พูดดา่าพระบอกว่ากินข้าวที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแล้วเอาแต่ น, นอนเอแม่น้ำสักเพียงเท่า ยาหยดตาก็ไม่มีท่านเกียรตานไม่สมควรเป็นสมณะเลยซาเทระก็คิดว่าเราตักน้ําไว้เต็มหม้อแต่ยังไม่ได้ดื่มเลยไม่ยังไม่ได้ดื่มเลยทําไมนายมิรกะจึงพูดอย่างนี้ซาเทระก็เดินไปดูเห็นน้ําเต็มหม้อจึงเอาสังสําหรับตักน้ําตักให้เต็มแล้วส่งให้ในายมิรกะ เขาเดิมถึงสามสิบสองสังแล้วก็เกิดสังเวชสลดใจว่าน้ำเต็มหม้ออยู่แท้แแต่เพราะกรรมชั่วของเราจึงปรากฏเป็นหม้อเปล่ามันเหมือนกับเบื้องเหมือนกับเบื้องร้อนอัตภาพของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรรู้สึกกลัวสะดุ้งกลัวต่อ ผลของกรรมที่จะตามมาก็ขอร้องให้พระเทระบวดให้พระเทระก็บอกกรรมฐานให้แล้วก็ให้บวชให้บวชเนตรให้บวชเป็นเนตแต่ขณะใดที่เขาบําเพ็ญสมณะธรรมเจริญกรรมฐานก็ระลึกถึงอารมณ์ในเวลาที่ระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานอยู่ขณะนั้นก็ บวงดักบวงดักสัตว์แล้วก็อาการทุรนทุรายของสัตว์ที่ติดบวกหรือถูกขวากของเขาปรากฏขึ้นสิ่งนั้นมาทรมานจิตใจของเขาจนไม่อาจต่ำเพลินสมณธรรมได้ต่อไปเมื่อเขา ล, ลึกถึงกรรมเก่าๆอยู่วความาร่าเรอนก็เกิดขึ้นจิตไม่ดำเนินไปในทางกรรมฐานเหมือนโคโกง ไม่เดินไปตามรอยไทยถูกความร้ร้อนบีบคันอยู่เรื่องนิดไม่ยินดีในการบำเพ็ญสมณธรรมอีกต่อไปจึงไปหาพระเถระบอกว่าจะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ทำสมณธรรมไม่ได้มีแต่ภาพบ่วงดักสัตว์อาการทุรนทุรายของสัตว์มาปรากฏให้เห็นพระเถระ ท่านฉลาดมีวิธีทำให้เขากลัวภัยในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าสึกไปจะต้องตกนรกแน่นอนเขาก็ถามท่านเพื่อความแน่ใจว่าถ้าปวดอยู่ต่อไปจะพ้นไปในนรกหรือพุทธศาสนาสามารถจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงหรือพระเทระก็ยืนยันว่าได้แน่นอน แตมาเน็นมิละกะจึงตัดสินใจไม่สึกแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ข่มใจปำาเป็นสมณธรรมไม่ได้ยอ่อจดเมื่อถูกความเมื่อถูกความง่วงครอบนำท่านก็เอาฟางเปียกมาวางไว้บนศีรษะนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงในสระน้ำวันหนึ่งท่าน กรองน้ำเสร็จแล้ววางหม้อกรองน้ำไว้ที่ขาเยืนคอยรอให้น้ำเสด็จขาดสายกเถระได้ให้โอวาทแก่สามเณรมิลกะว่ายศคือเกียรติย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความหมั่นขยันมีสติมีการงานสะอาดใกล้ควรแล้วสิ่งทมเป็นผู้สำรวม มีชีวิตอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทวันหนึ่งก็กรองน้ำเสร็จแล้ววางหม้อกรองน้ำไว้ที่ขายืนคอยรอให้น้ำเสด็จให้ขาดสายพระเถระได้ให้อุวายแก่ท่านว่ายศคือเกียรติย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความมัน่นขยันมีสติ มีการงานสะอาดใครควรอยู่ก่อนแล้วจึงทรรมเป็นผู้สำรวมมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมเป็นธรรมชีวปีแล้วก็ไม่ประมาทสามเณรมีลกะได้น้อมโอวาทของพระเถระมาเตือนตนว่าบรรดาคนที่มีความมันเพียนมีสติ เป็นต้นนะครับตามโอวาทของพระเถระผู้เป็นอุปัชาทั้งหลายเราก็เป็นคนนึที่มีความมัน่นขยันมีสติและก็ไม่ประมาทท่านได้น้อมนำโอวาทของพระเถระมาเตือนมาเตือนตนเองอยู่เนืองๆ เ, เดินอยู่ที่เดิมนั่นเองทิศานั่นแหละ สามารถตัดสังโยชน์5อย่างเบื้องต้ น, ไ ด, น, นาาได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอนาคามีแต่ต่อมาก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาถ้าเป็นอนาคามีแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วทุกขติไม่มีแล้วตั้งแต่เป็นโสดาบันอบยภูมิก็ถูกปิดหมดแล้ว ไม่ไม่ต้องไปอาบายจะตูอปาเ ย, ยเยหิเจวิปปมุตโตพ้นจากอาบายสีถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วแม้จะทำบาปทำกรรมมามากเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปอาบายประตูอบายปิดพ้นจากอาบายสี <c oughs> ว่าการประพฤติทำก็ให้ประโยชน์มากถึงอย่างนี้ถือว่าช่วยบุคคลผู้ทำบาปกรรมเป็นนั้นมากให้พ้นจากบาปกรรมได้เราะนั้นก็ควรที่จะช่วยกันช่วยกันประพฤติทำช่วยกันสแสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลผู้คล้ในธรรมได้ปฏิบัติธรรม เพื่อว่าทำไม่ดีอะไรมาก็จะพ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นได้ <c oughs> ธรรมดาคนเราเนี่ยกลับมันมีกฎที่ว่ากิริยาปฏิกิริยาคือว่ามีแอคชั่นมีรีแอคชั่นว่าถ้าเราแอคชั่นไปอย่างไรมันก็มามีรีแอคชั่นออกมากลับมาอย่างนั้นว่าถ้าเรา ให้สิ่งใดกับผู้อื่นก็มักจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนมาแล้วก็ผู้ที่เป็นใหญ่ผู้ที่เป็นใหญ่นี่ต้องค่ายควรพิจารณามากในการที่จะทำอะไรนิฉะนั้นแล้วก็จะผิดพลาดได้ง่ายแล้วมันมีเวรกรรมตามมา ในข้อความในมหาปทุมชาดกมีกล่าวไว้ว่าผู้เป็นใหญ่หรืออิสระชนเมื่อยังไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นเพรยังไม่ทันพิจารณาให้เห็นเอง ก, ก็ไม่ควรลงทันแก่ใครๆคือไม่ควรลงอัตยาแก่ใครๆผมจะขอเล่าเรื่องย่อในมหาปทุมชาดกนิดหนึ่งนะครับ ว่าหญิงคนหนึ่งหลงรักมหาปทุมคุมาลซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เป็นหญิงร่วมสามีของมันดาพระโพธิสัตว์ดํารงตําแหน่งเป็นอัครมะเหสีของพระราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่ก็คืออดีตของพระพุทธเจ้านะครับ เชิญชวนพระโพธิสัตว์ให้ร่วมอภิรมกับพระนางแต่มหาปทุมกุมารทรงปฏิเสธพระนางโกรธและรู้สึกเสียหน้าจึงแซงทาเป็นป่วยเมื่อพระราชาตรัสถามถึงความไม่สบายนางใส่ความพระโพธิสัตว์ว่านางไม่สบายทระไทยเครื่องที่มหาปทุมกุมารต้องการร่วมอภิรมด้วย แต่พระนางไม่ปรารถนาเช่นนั้นระชาไม่ตันพิจารณาโดยรอบขอบทรงกลิ้วพระโพธิสัตว์ผู้เป็นราชโอรสเพราะเชื่อคำทูลของอัคระมะเหสีมิได้ทรงสอบถามให้ที่ทวนรอบขอบรับสั่งให้นำพระโพธิสัตว์ไปทิ้งเหวที่ทิ้งโจท์ เทวที่ทิ้งโจรแต่ว่ า, าตามเรื่องรล่าว่าเทวดาช่วยไว้คนดีคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกเหวก็ไม่เป็นไรมีคนช่วยไม่สิ้นพระชนจึงบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้น วันหนึ่งกานไพรามาพบพระโพธิสัตว์จำได้จึงนำความไปกราบทุนพระราชาพระราชาเสด็จไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์ตรัสถามเรื่องราวต่างๆจึงได้ทรงทราบความจริงอันทองแท้ทรงรู้สึกผิดทรงเชื่อเชิญพระราชโอรสไปครองราชแต่พระโพธิสัตว์ทรงปฏิเสธ ทูว่าไม่ต้องการราชาสมบัติบุตรต้องการทรงต้องการทำไม่กันสมบัติขอให้พระราชาทรงครองราชย์โดยธรรมเว้นอคติพระราชาทรงรู้สึกเจ้าสลดสังเวชพระไทยสังเวชพระไทยไม่อาจกลั้นอนสุชนได้การแสงแล้วเสด็จกลับนครพระนคร ในระหว่างทางจับถามอมาตทั้งหลายว่าเราต้องทัดพลากจากผุดผู้สมบูรณ์ด้วยคุณงามความดีถึงปัณณีเพราะใครเป็นเหตุมหามาตทูลว่าเพราะอัครมเหสีเป็นเหตุรับสั่งให้จับอัครมเหสีเอาเท้าขึ้นเอาหัวลงแล้วก็ให้ทิ้งลงไปในเหวที่ทิ้งโจด ท, ที่เดียวกันแต่ว่า พระนางเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไหมถูกทิ้งเหวก็ตกเหวแล้วก็ตายจริงๆอันนี้ก็เป็นอนุภาพของความดีพระผู <c oughs> ้มีพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าอ克มเมสีของพระราจาในครั้งนั้นมาเป็นนางจินจามานาวิกาในครั้งนี้ ส่วนพระุพธิสัตว์มาประทุมคุ ม, มารคือพระองค์เองอันนี้กเ็เป็นการบอกให้เรารู้ว่าเพื่อให้เราได้ถือเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตเรื่องนิทานเรื่องชาติจบเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นการต้องการให้เราถือเป็นแบบอย่าง ในการดาเนินชีวิตไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเพื่อให้สมใจเราเพียงฝ่ายเดียวเรื่องของกรรมนะครับเป็นเรื่องของกิริยานะและปฏิกิริยาอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับกรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ตัวใครตัวมันมนุษย์เราช่วยผลักดันให้คนอื่นทำให้ทั้งกรรมชั่วกรรมดี ถ้าเราทําแก่ผู้อื่นอย่างหยาบคายไร้ากาศสร้างความเจ็บจานําใจให้เกิดแก่ผู้อื่นก็เหมือนช่วยประคับดันให้เขามีนิสัยหยาบคายไร้ากาศต่อเราและต่อค น, อ, นอื่นๆด้วยแต่ถ้าเราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเมตตาปราณีเข้าใจและเห็นใจก็เหมือนช่วยส่งเสริม หรือเสริมสร้างให้เขามีคุณธรรมเช่นนั้นต่อเราและต่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันเราควรเริ่มต้นสร้างสังคมมนุษยชาติให้ดีงามด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนการสร้างกรรมดีแม้จะมีผลช้าไปปางแต่ก็แน่นอนแน่นอนมั่นคงปลอดภัยใน เรื่องนี้ เ, เราต้องฝึกฝนตนเองให้ดำเนินอยู่ในทางของนักราญซึ่งทำได้ยากแต่ก็ทำได้มีคนได้ทำมามากแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันและต่อไปในอนาคตด้วยผมขอนำเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่ท่านฟัง <c oughs> เพื่อให้เห็นกแ่แทงกลับ อันนี้ได้นำมาจากเรื่องนี้ได้นามาจากเรื่องได้ย่อความย่อความย่อข้าวเรื่องมาจากกรร ม, มะกรร ม, มะโดยฝรังคนหนึ่งชื่อพรคารุษพรคารุสแล้วก็มีฉบับแปลเป็นไทยก็มีครับโดยพระมหาสมพานพรมธาวัดมาธากรุงเทพนคร คนนี้ก็เป็นอาจารย์สมพานพรมธาอยู <c> ่ <oughs> มีเรื่องว่าพระเถระในพุทธศาสนารูปหนึ่งอาศัยเดินทางจากโกสัมพีไปพาราณสีกับพ่อค้าเพชรพลอยซึ่งได้พบกันในระหว่างทางเขาเดินทางโดยรถมา้ารู้สึกชื่นใจที่มีสมณะเดินทางมาด้วย คิดว่าจะเป็นผู้นําโชคลาภมาให้มาถึงที่แห่งหนึ่งรถบรรทุกข้าวของชาวนาหักขวางทางอยู่รถมาไม่สามารถจะผ่านไปได้พอขาเพชรพร่อยใจร้อนอยากไปถึงเมืองพาราณสีโดยเร็วชาวนาก็อยากไปถึงเร็วเหมือนกันเพราะเขาเอาข้าวไปขายรถเขาหักอยู่ทางราชชันกําลังพิจารณาหาทางช่วยตัวเองอยู่ พ่อคาเพชรนอกจากจะไม่ช่วยเหลือแล้วยังทำลายสกโดยสั่งให้าทาดรับใช้ของตนผลักรถของชาวนาให้พ้น่างแม้ชาวนาและพระเถระขอร้องวิงวอนสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังทํา <c oughs> ทําโดยประการที่ให้รถมาของตนไปได้เท่านั้นเมื่อเดินทางไปหน่อยหนึ่งพระเถระก็ขอลง บอกว่าได้อาศัยเดินทางมาพอรห้ฮเนอดแล้วจะขอเดินทางโดยลำพังต่อไปเพาไม่ได้รีบร้อนแต่ประการใดท่านได้ย้อนกลับมาช่วยชาวนาช่วยซ่อมรถช่วยนำข้าวที่ถูกโยนทิ้งขึ้นรถอย่างเดิมชาวนารู้สึกเลื่อมใสพระเถระและเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านในเรื่องกฎงกลับซึ่งเป็นผลรวมแห่งการกระทาของคนเรา เมื่อเสร็จแล้วก็ออกเดินทางออกมาได้สะดุดเอาวัตถุอย่างหนึ่งเข้าทำให้มันตกใจสะบัดตัวหลุดจากรถชาวนาก็ตกใจเข้าใจว่าเป็นงูแต่พระเทรรพิจารณาอย่างตีจึงเห็นว่ามันเป็นท้ายหรือถุงทองคำจึงมอบให้แก่ชาวนาและบอกว่าเป็นโอกาสอันดีของท่านแล้วที่จะทำความดีตอบแทนความชั่วาย ขอให้นำท้ทองคำนี้ไปมอบแก่พ่อค้าเพรก็มันต้องเป็นของพ่อค้าเพชรอย่างแน่นอนขณาเชื่อฟังตั้งใจว่าเมื่อถึงปารานสีแล้วจะนำท้ทองคำไปมอบให้พ่อค้าเพຈทางเมืองปารานาสีเพื่อนของพ่อค้าเพรคนหนึ่งเป็นพ่อค้าข้าวได้ตกลงกับราชสํานักไว้ว่าจะส่งข้าวอย่างดีให้หนึ่งเปลียนในวันรุ่งขึ้น ในวัดทุงนี้แต่ปรากฏว่ามีพ่อค้าอื่นมา ก, กว้านซื้อข้าวไปหมดกําลังเป็นทุกข์หนักไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรในขณะที่เพื่อนกําลังทุกข์หนักเรื่องไม่มีข้าวส่งตามสัญญาอยู่นั่นพ่อค้าเพชรปันทุนึกถึงท่ายทองคำขึ้นมาได้จึงเที่ยวหาแต่ไม่พบในที่ใดๆความสงสัยแล่นไปที่ท่านรับใช้ คือมหาทูตทัดรับชายชื่อมหาทูตจึงได้จับเชี่ยนตีบีบคั้นให้รับสารภาพแต่มหาทูตจะเจ็บปวดสักเท่าไรแม้จวนเชียนจะสิ้นชีพก็ไม่รับสารภาพเพราะเขาไม่ได้ทาไม่ได้ขโมยพอดีชาวนาเทวละมาถึงชาวนาชื่อเทวละนะครับเทวละชาวนามาถึงมอบท้ายทองคาให้เรื่องจึงแจ่มแจ้ง แต่สายเสร็จแล้วมาทูดถักกับชายผู้ซื้อสัตว์ถูกทำโทษแทบตายเพื่อนของพ่อค้าเพชรคือมันละกะได้ซื้อข้าวจากชาวนาให้ราคาดีถึงสามเท่าของราคาตลาดชาวนาข า, ว ข, ขายข้าวได้ราคาดีถึงสามเท่าตัวและได้รางวัลจากเศรษฐีปันถุกก็เพราะตั้งอยู่ในโอวาทของนักปราและเป็นผู้ไม่จองเว่ ฝ่ายมหาธูตโกรธแค้นบันทุจึงหลบหนีไปเป็นโจรเป็นว่าน้าโจรอยู่ในป่าบันทุเลื่อมใสในพระนารถเสระมากเหลือเกินอยากจะทำบุญกุศลได้บริจาคสร้างวัดอนรมณ์รื่นที่เมืองโกสัมพีเหตุการณ์ผ่านไปหนึ่งปีมีพระราชาพระองค์หนึ่งได้ทราบกิจศัพ์ว่าฝีมือทำเพชพรพลอยของปรรทุนั้นเยี่ยมนัก จึงรับสั่งให้ทำมงกุฎทองคำบริสุทธิ์ประดับด้วยอัญมณีอันสูงค่าบรรทุดีใจมากทำอย่างเต็มฝีมือเมื่อเสร็จแล้วจิงพร้อมด้วยบริวารคุ้มกันนำมงกุฎไปถวายพระราชาแต่ถูกโจนพวกของมหาทูตซุ่มโจมตีล้นมงกุฎทองและสินค้าอื่นๆเสียหมดสิน้นบรรทุหมดเนื้อหมดตัวแต่ยังพอทรงตัวอยู่ได้ แล้วก็สํานึกถึงกรรมของตนที่ได้กอด่กอก่อกรรมทําเข็นไว้แก่ผู้อื่นอีกหนึ่งปีต่อมาสมณะหนุ่มเช่อปันทกะัิทธ์ของท่านนารถนารถก็คือพระที่เดินทางมากับชาวนากับเศรษฐีที่แรกทั่นเองสิทธิ <c oughs> ์ของท่านนารถเดินทางมาถึงเมืองโกสัมพี ในระหว่างทางก็ถูกโจรลน้นเมื่อท่านไม่มีอะไรจะให้พวกโจรจึงทุบตีท่านจนบอบช้ำแทบเอาตัวไม่รอด <c oughs> ท่านนอนสมอยู่ในป่าหนึ่งคืนเช้าขึ้นจึงเดินโซเซออกจากป่าได้เห็นพวกโจรกำลังทะเลาะวิวาทกันถึงกับใช้อาวุธ ประหารกันหัวหน้าโจนได้รับปัดเจ็บสหาหัสโจนน อ, อกจากนั้นก็ลมตายเกินกลายเมื่อโจนอื่นๆห น, นีไปแล้วพระพันท ก, กะจึงเข้าไปช่วยเหลือหัวหน้าโจนซึ่งทำร้ายตนเมื่อวานนี้แล้วก็นำเอาน้ำให้ดืง เอาน่าใม้ถือขัวหน้าโจรคือมหาทูตนั่นเองเขารู้สึกเสียใจที่ทากับสมณะอย่างทารุณเมื่อวันนี้และก็สมณะก็ไม่ได้ถือทุกโกรธเคืองเขากลับช่วยเหลือเขาเสียอีกเขาเสียใจที่ลูกน้องของเขาเองคิดทำลายล้างเขาตัวเขาเองเขาปล้นนายมาแล้วเหมือนกัน สมณพันธกันริยได้ให้อวาตสั่งสอนให้เขาทำใจให้สงบและให้พิจารณาถึงผลแห่งกรรมเขาสอนลูกน้องหรือบริวารให้เยี่ยมหานความเยี่ยมหานจึงยอกย้อนกลับมาทำลายเขาด้วยถ้าเขาสอนบริวารให้มีเมตตากรุณาประจำใจ เขาก็ย่อมจะไม่ประสบชะตากรรมอย่างนี้เมื่อเขารู้ว่าจะต้องตายแน่มาทูได้ขอร้องให้สมณะหนุกช่วยบอกปันทุด้วยว่าเขาขออภัยและการุณาโฮสิให้เขาด้วย <c oughs> ส่วนสมบัติซึ่งซ่อนเรนอยู่ในภูเขา ให้ท่านบรรทุมาเอาไปเส้ยด้วยแล้วมหาธุตก็สิน้นชีวิตบรรทุได้ทราบเรื่องจากพระปัญทกะแล้วก็มานำศพมหาธุ อ, อไปทำศพอย่างดีบรรจุไว้ในสุสานพร้อมโดยจาจึกเรื่องราว ของโจรกลับใจคนนี้บนหลักศิลาบักไว้หน้าสุสานด้วยท่าน <c oughs> ท่านผู้ฟังโปรดสังเกตว่าก่อแดงกรรมของบุคคลต่างๆซึ่งทุกคนได้เห็นเอง